เออเองเ อ, อ้เองเอย่างตัวต่างร้งองเพลงไงภาษาของใครของเราแต่แต่แตพอมันเห็นเดี่ยวเข้ามามันร้องจี้แจ๊ปว่าระวังไงพวกนกอะไรอ ย, ยยอยู่ในความสงบก็รอกก็อยู่ในความสงบกระแตก็รอกอยู่ไอ้กระตอกระจ่อนกระแตอยู่ข้างล่างนี่อยู่ในความสงบอืม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 เป็นหมูเป็นเพื่อนกันดีแต่เมือพอมันกัดกันนั้นโอโหเอาเป็นเอาตายจริงๆเิงพอมันยิ่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่เนี่แหละสัพพสัจทั้งหลายที่มองมองเห็นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วได้รับการอบรมได้รับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราได้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 เราควรจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนควรทำอันไหนควรคิดอันไหนควรพูดเพราะนั้นให้เราได้ให้เราศึกษาเพราะเราเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาได้พร ะ, ระพุทธศาสนานมนุษย์สพิราโภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐอย่างพวกเราเปรียบเทียบรูชีวิตของเรากับชีวิตสัตว์เทิดทานอย่างพกทุกวันนี้เขา เอถ่ายอะไรให้มาอาพวกสิงโตไปกัดช้างกัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเอไปสู้วัวป่าควายป่าอย่างนี้แก้งกวางวะนะถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์ทีระชานอย่างนั้นละเราจะหาเราพวกเราจะหาความสุขได้ไหมแหวนแล้วแวงตลอดเวลานะเานี่ยนี่แหละถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว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 แต่พวกเรานับั่าเป็นผู้โชคดีอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันในช่วงนี้ เ, ออเกิดในประเทศไทยแผ่นดินก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ท่วมหนาวก็ไม่หนาวมากไม่ถึงกธรรมชาติฆ่าพวกเราเออพราะพวกเราเกิดในปฏิรูปประเทศเออมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นผู้ปกครองให้กับพวกเรา เ, ออเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา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 อแต่ใครๆคำว่าอยากจะได้ยินคําว่าโง่เง่าเตาตุนอยากจะได้ยินแต่ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเป็นผู้มีบุญวัฒนาเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่อยากจะได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าการกระทําและการเป็นอยู่นะอมันบอกยี่ห้อของตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมนุษย์ปฏิลาภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐอ เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ดีทีเดียวก็มไม่ใช่นะมนุ ษ, ษะมนุษย์สติรัชโนโเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าจิตใจเลวเหมือนสัตว์ทิรฐิฉันแย่งอยู่แย่งกินไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำ เ, เหมือนสัตว์ทิรฐิฉันการเป็นอยู่เนีว่ามนุษย์สติรัชติรัชโน่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ทิฏฐิฉนก็มีมนุษย์สปโต จิตใจเหมือนกระเปรตหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่งไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเพียงเพียงพออันนี้ว่ามนุษย์เปโตรมนุษส์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงเหมือนกับเทวดารู้จักแบ่งปันรู้จักอบอ้อมอารีรู้จักเสียสละรู้จักเขารู้จักเราควรจะแบ่งปันควรจะให้ความสงบผาสุขแกม่มวล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 เราจะยินดีใช่ไหมหัวเราะใช่ไหมเพื่อดีแล้วให้เขาเอาขโ ม, มยไปเถอะอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราทุกข์ใจเขาก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าขโ ม, มยกันนะ อ, อกาเมจุมิสาจาราวร ม, มณีก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักของเราก็เช่นเดียวกันเราก็รักในเมื่อเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่พี่น้องของเขา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 เออเหมือนเราก็ยิ่งน่ากลัวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนดื่มสุราถ้าเขาเป็นนักเรงหัวไม้อยู่แล้วเออเราจะไปไขเขาได้ยังไงอันตรายอีกต่างหากขนาดเขาไม่ดื่มสุราไม่ขาดจติเราก็ยังน่ากลัวแต่เมื่อเขาดื่มขาดจติเข้าไปแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรนี่แหละอันนี้คือคือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เราบอกถ้าว่าคนมีศีล